หลวงตาท่านคือพ่อแม่ครูอาจารย์บัวญาณสัมปันโนคือใครที่ยังเพิกเฉยน้ํา 1 ที่หา ด้วยสังขารที่ร่วงโรยและอ่อนแรงลงทุกวัน จะก็ไม่มีใครรู้ลงชื่อกับสิ่งที่